ก่อนนะแม่พายขัดฝาเงี้เราก็เห็นสิคาสึ ก, กมันชุ่มโจมตีอยู่โคนต้นมะม่วงเออแม่เขาก็ใส่บาดเออแต่ตาเราก็นั่นนะมึงซุกอยู่ตรงนั้นด้วยมึงเกมจะเอาอาายิงกูหรือมึงจะเอาเอ็มสิบหกยิงกูเออก็ปรากฏว่าพอแม่ก็ใส่บาดแม่ถามลวงพี่สิกรแควหมดหรือยังคุณ ชื่อวันนีนะเผยบอกก็จะได้เออคุณวันนีก็ถามว่ากระแหวหมดหรือยังยังอยู่จ้าจะใจมัน ต, ต, ต, ตึบตึบตึบตึบตึบเดินมาพุทโธพุโทโธไม่มีแล้วเออกลับมานั่งกินข้าวก็ไม่มีเลยพุทโธพุโทโธไม่มีแล้วอาจารย์ที่มีสติพิจารณาข้าวแล้วไม่มีใจมันเป๊บเบหมดอ้าวพาไปบินธบาตฐอีกวันนึงพต่เช้าเดินไป ก็ส้มอยู่ที่เก่าอีกอะเอเมื่อวานมันยิงกูได้เอ็มสบหแล้วปรากฏว่ายิงไม่อยู่ อ, อวันนี้ไปบินสบัดแม่ก็นั่งส้มอยู่ตรงจุดเก่าอีกอแหละพอแม่ก็ใส่บ่ายก็แม่ถามลุงพี่สีโกโก้หมดหระยงคูนวันนี้ก็ถามว่าโกโก้หมดยังยังอยู่จ้าเราก็ยังอยู่ทั้งนั้นน่ะ เ, เป็นนักลบที่กระสุนพร้อมอยู่ตลอดเวลาพร้อมสู้ตลอดเวลา เอ้ากลับไปเช้าฉันข้าวไนั่งสมาธิมันไม่ยงแล้วนี่จิตเราที่เคยนิ่งติ้งเฉยอยู่รู้อยู่ไม่มีถ้าไม่มีกลางวันไม่มีกางคืนมีแต่เฉยอยู่นิ่งอยู่อ่ะเออมีแต่ความเฉยอยู่นิ่งอยู่สว่างโลวะโลโกมันรู้อยู่ในจิตตลอดเวลามันไม่มีปวดไม่มีเมื่อยไม่มียุ่งไม่มีกลางวันไม่มีกางคืนไม่มีถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีแล้วมันมีแต่ความนิ่งอยู่เฉยอยู่มีเราไม่มีสัตว์ไม่มีคนมือคนอะไรต่างมันมีแต่ความนิ่งอยู่เฉยอยู่มันไม่ลงแล้ว เออมันเห็นได้ผมยาวแขนกลมกลึงอมันนัแหล ะ, หละเออก็เลยเอ้าวพอมาบินสบาดอีกวันหนึ่งเออสายตาเราก็นั่นแน่มันซุ่มอยู่ตรงเก่าอีกแกะซุ่มจอมเตียอีกแล้ววันนี้มันเอาพีจียิงแล้วมังท่ามันเออก็ปรากฏว่าพอเดินมาแม่เขาใส่บาท <c oughs> แม่ถามลุงพี่สีน้ำตาลทรายหมดหรื อ, อยังอู <c> ้ว <oughs> เออคุณเขาถามมันตาลสายหมดยังยังอยู่จ้าเรายังอยู่ทั้งนั้นไม่ได้ชาติเสือต้องไว้ลายไว้อืมเออโพเดินกลับจะบินสบาดมานั่งกินข้าวหนักหนั ก, นกขานอนคุม้มโปงเออมันรักกูแน่มันนั่นกูแน่ไอหากูว่าจะบวชไม่ศึกแล้วมันรักกูแ น, ม น, กกแน่มันเป็นความเป็นห่วงอยิ่งใยกูเกิดแล้วในปา่าในดงไม่มีบ้านผู้คนอย่างนี้อ้าวพาไปบินสบาดอีกวันนึง <c oughs> แม่กระสุ่มอยู่ตรวที่เก่าอยูแ่แหละเออ แม่ถามลุงพี่สีเทียนหมดยังเพราะเราอยู่ในถ้ำต้องใช้เทียนใช่ไหมเล่าเออเทียนหมดยังคูนก็ถามว่าเทียนหมดยังยังอยู่จ้าล้วอยู่ทั้งเออกลัว ค, ค่าศึกมันจับได้ยังอยู่จ้าทั้งนั้นเออกลัวจะเสียทีมันอ้าวก็ปรากฏว่าพาอีกวันมาบินตาบาดแม่เห็นว่าซุ่มยิงเรามาด้วยทั้งจรวดอาพีจีอากาศเอ็มสิบหกไมไ่ผลแล้ว แม่ประจันบาลเลยวันนี้เออแม่แบกมีดมาเลยมีดหวดัวเออแม่แบกมีดหัวออกมาเลยไม่ถกไอ้ไม่ไม่ไดแบกมีดหัวมาเปล่าที่ถกผ้าด้วยถกผ้าเลยเขาเขาอีขาวโพลนเลยเท่านั้นจิตตกบูบเลยเออจีตกเลยเออก็แหมอยู่ในป่าในดงอย่างนั้น่ะแล้วมันสวยแล้วมันขาวขาวมขาวอะ่ะเออ แล้วเราไม่ใช่พระอิทพระปูนพระหลวงพ่อโตในบวถ์เมื่อไหรแล้วเอเอหลวงพ่อทนกันทําทนไม่จริงอะ่ะเออปรากฏว่าแม่เดินแบกมีดออกมาเลยถกผ้าขาวขาวแล้วก็มาก้มหวด้วมีดที่ถือออกมามาหวดห้ายตรงที่เรายืนรับบาดอะแล้วเขาพูดขึ้นมาว่าก่อนที่เราจะไปถึงเขาพูดขึ้นมาลอยๆว่า หญ้ามันโลกเปะจีวรของพี่หลวงพี่เขาว่างานเขาก็หวดหญ้าแบบแบบแบบแบบแบบแบบก็หวดหญ้าหญ้ามันโลกมันยาวมันเปื่อนจีวรหลวงพี่เขาก็หวดแบบแบบแบบพระลาเข้าไปใกล้เขาก็หลบแผบลบเข้าไปอือมเป็นอย่างนั้นเอ๊ะมันลักกุ้นแม่เว้ยแต่เราก็เห็นแต่ขามันขาวอย่างนั้นอ็เพราะฉะนั้นศึก พูดกับพ่อมันตรงเลยพูดก็นอยากรู้ผู้ชายเลยเพราะพ่อเขาก็เป็นผู้รู้ผูชายจริงเหมือนกันเป็นนายตำรวจแต่ว่าเสียแล้วจะพูดกันตรงเลยขอแกลงยิงจะตัวหนึ่งขอเสื้อตัวหนึ่งขอพระกระมาผืนหนึ่งไว้ผูกขอตายขอเสยิบขอกลมตัวพระกระมาผืนหนึ่งกัแกยิงตัวหนึ่งบอกกันกรงพูดอรู้ผู้ชายเลยะบอกกันตงเลยว่ารักแหละแล้วก็บอกเขาก็เลยบอกว่าขอนั่นเลย แล้วจากนั้นโดยมีป่าปเรื่องแต่ที่จะถางให้หมดจะปลกูกกล้วยปลกูกอ้อยปลกูกพริกป ล, กปลูกมะเขืออะไรก็ไม่รู้มันลตน้ตามเรื่องตามราวมันคิดไปงั้นน่ะน้องคุ้มโปงร้องไห้น้อนคุ้มโปงนี่นนร้องไห้เลยกูกลับรัดพลาไม่ได้แล้วเพราะกูบอกกับเขาแล้วว่ากูจะบวชไม่ฝึกอะไรต่างๆอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็มีพวกแข่งครัน้นองค์เดียไปอยู่กับคณะกรรมฐานครูบาอาจารย์พระิสารก็มีองค์เดียวเพราะฉะนั้นในกรณีนี้กลับไม่ได้ ต้องถางป่าถางดงอยู่แถวนี้แหละก็ร้องไห้เพราะฉะนั้นเรามันต้องสู้เราเป็นลูกพระเจ้าเราจะมายอมเป็นลูกเขยคนเหรอเออเราต้องมีพ่อคนเดียวเพราะฉะนั้นเราจะมายอมสึกษาราเพเป้เลยไปลูกเขยเขาเหรอไม่ได้เราเป็นลูกพระเจ้าแล้วเราพิสูจน์ความเป็นความตายมาแล้วถือตรตสินันงไม่นอนตรลไตมา่าสามเดือนทำมาแล้ว อดนอนผ่อนอาหารไม่กินส5บห้าวันไม่นอนต่อแต่มาทสามด้วยเราก็ทำมาแล้วแล้วเราจะมายอมได้ยังไงผ่านเป็นผ่านตายมาขนาดไหนนี่ต้องสู้มันก็แวบคือมานึกถึ ง, ถงพระโสนนะในทรั้งบุตการพระโสนนะนี่จะเป็นลูกเศรษฐีเออท่านเกิดมาไม่เคยเดินดินเลยเหมือนทีบังกรเ น, นี่ยเออปรากฏในฝ่าเท้าที่นุ่ไมไปหมดมีขนละเอียดอ่อนซ้่อยากระมอีอีเออ คราวนี้ท่านมาศรัทธาพระเจ้ามาเห็นพระเจ้าท่านก็มีศรัทธาท่านก็เลยออกบวชท <c oughs> ่านก็เลยออกบวชพระบวชก็มาเขาก็ลือกันเลยว่าพระโสดาสมาบวชเนี่ยมีขนขึ้นในฝ่าเท้ามีขนขึ้นในฝ่าตีนไม่มียใครก็มาขอดูใครก็มาขอดูอดเหมือนถ้ามาอยู่ทางกระฐานเนี่ยญาติโยมมาขอดูท่านก็ยืตตนตีเนี่ก็ดูอยู่เรื่อยให้ดูฝ่าตีอยู่เรื่อยเออหากนมาบวชนั่นหลังจ่างไปใบมาคนที่มาขอดูฝ่าตีนนี่ก็สวยถูกสเปคสิ ดันถูกสเปคขึ้นมาที่ราค า, ามันก็คำเริกสลยควายราคามันก็คืบเลิบขึ้นมาท่านก็เลยไม่เอาละเดินจงกลมไปการใหญ่เดินจงกลมกลับไปกลับมากลับไปกลับมาไอ้ตีนตัวเองเคยเดินตะบนพรมอะ่ะเคยใส่แต่รองเท้าพเหยียบหินเกี่ยบทรายเข้าเหยียบก้อนหินก้อนทรายาก็เตะก้อนหินก้อนทรายตีนแตกเลือดเอาตามทางยจงกรมมีเลือดแดงไปหมด เออมันก็ไม่ยอมสงบแล้วครับมันก็เห็นแต่มันอยู่นี่เอ่อไอ้คนที่มันมาขอดูตีนเราอ่ะแล้วมันสวยถูกใจเราตีนแตกกันหมดแล้วเดินไม่ได้คลานทั้งคลานจานรู้เข่าเนีย่ยแตกมือก็แตกคลานไม่มีาทางกลมนี่เลือดแดงไปหมดท่านต่อสู้มันจะทั้งจิตมันลงสมเด็จอหรหันเราก็เลยได้ศึกษาเล่าเรียนมาว่าพระโสนเดินยจงกรมยจนตีนแตกเข่าแตก ก็เลยต้องเอาอย่างพระโสนะก็เลยเดินจงกรมตั้งแต่ก่อนมืดมือก็ถือไายดวงเล็กจะมีไปฉายดวงเล็กดวงหนึ่งแล้วก็นาคาข้อมือขอลุงสาวไปนกาข้อมือก็ไม่เอาสายเอาตาเรือนในกาอยู่ในมือก็เดินจงกรมเดินจงกรมกลับไปกลับมาพุทโธธรรมโธทั้งโคพุทโธธรมโธทั้งโคพทโธธมโธทังโคต่อสู้กับมันผมเห็นตะขามันขาวเห็นตะขามันขาวผมมันยาถูกสเปกเรา อ้าวยืนนิ่งหลับตามันก็จะเห็นขาที่มันถกขาวอย่างนั้นแล้วก็จมูกมันผมมันอะไรต่างเพราะว่าเรามีแต่ศรัทธามันขาดปัญญามันเป็นอย่างงั้นเพราะนั้นศรัทธาเนี่ยมันทําให้งโง่ได้ถ้าว่าขาดปัญญาแต่ถ้าปัญญามันมากไม่มีศรัทธามัมนจะทําให้ไม่เชื่อมันก็ต้องฝึกไปแต่ถ้าหากว่า ศรัทธากับปัญญาเนี่ยมันพอดีกันเป็นมรคสมังคีมันก็เข้าสื่อจุดหมายได้เพราะฉะนั้นเดินจนกลมไปเดินจนกลมไปพอหลับตาปุ๊บมันก็ยังเห็นเลยอ่ะเห็นขามันขาวอย่างนั้นเห็นจมูกมันเห็นผมมันเห็นแขนมันกลมกลึนั่นเดินอ้าฝนตกควาเปรียงกลางเปรียงกลางฝนตกอ้าฝนตก ก็เดินถุยมลายฟื้นพูยฝนมันสายเข้าน่ะเดินจงกรมกลับไปกลับมากลับไปกลับมาเออหลับตามันก็ยังเห็นอยู่อ่ะเดินจงกรมกลับไปกลับมากลับไปพกโทรศัพมอสโกเดินมาให้ลูกในร่มมันยังตายมันตายมันตายไปยอมตายถ้าตาบได้หลับตายยังเห็นขามันขาวอยู่แล้วก็ตายให้แม่มันตายเออไม่ยอมสึกขาราพีเด็ดขาดเพราะตามหลักจะสึกขาราพีแลจะบอกกับพ่อมันกงเลยขอเลยล่ะแบบลูกชายกันเลยพูดกับตรง เออพราะถ้าเดินก็กลับไปกลับมากลับไปกลับมากลับไปกลับมาหลับตาก็ยังเห็นอยู่นั่นเนี่เดินเดินอย่างทั้งอ่อนแรงนั่นเลยฝนก็ตกกว่ากันนั่นฝนหายอะไรต่าง ก, ก็เดินอ่ะเดี๋ยวฝนตกมาก็เดินหลับตานิ่งเอ๊ะหลงแต่งไปเรื่องขามันอย่งงางนั้นอย่งงางนั้นอะไรต่างอย่างงาั้นอย่งงางน่างนั้นพยายามไปส่งจิตมันจะไม่ออกมันก็ไม่ออกมันจะ ไ, ไม่เห็นขามัน มันก็ไม่เห็นผมมันยาวเคลียไหลาตามสเปคเราจมูกมันหน้าตามันเพ่งไปเท่าไหร่ก็ไม่ออกจิตมันก็นิ่งเฉยมีแต่ความรู้อยู่นั่นอยู่ก็เอีนยืนนิ่งอยู่ น, นั่นแหละเออยืนนิ่งจนกระทั่งจิตมันถอนออกมาเมื่อจิตมันถอนออกมาก็ดูในกาตีหนึ่งพอดีนี่ตีอะไรแล้วล่ะอ๋อต้อตีสามยี่สิบยาง<น> <laughs> เออนี่แหละพอชนะกับมันแล้วมันก็เกิดเลยพุทธมณฑลอรันยิกาวาสนี่ที่ชนะกับมันเนี่ยมันก็เลยเกิดพุทธมณฑลอรันยิกาวาสก็เลยเอามือรูปแผ่นดินเอากิ่งไม้เขียนเลยพุทธมณฑลอารันยิกาวาสพุทธแปลว่าอะไร มนฑนแปลว่าอะไรอรันแปลว่าอะไรอารัญญิกาะวาดแปลว่าอะไรเขียนเองแปลเองหมดพุทธะแปลว่าผู้รู้มนฑนแปลว่าบริเวณอารัญญิกะแปลว่าป่าอารัญยิกกะวาดแปลว่าวัดป่าวัดป่าของผู้รู้วัดป่าของพุทธศาสนาสุเด็ดจังล่ามันแปลอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดพุทธะมนฑนอารัญยิกาะวาดขึ้นมาจากการที่ลบชนะกับมัน เข้าใจไหมนี่มันเป็นอย่างนี้แล้วคราวนี้ที่เกิดมาเนี่ยแม่จะตั้งชื่อโอปทศยายเป็นคนโบราณไม่เอายายเป็นคนอ่านหนังสือไม่ออกเป็นคนโบาลาบอกไม่เอาไม่เอ า, เอาชื่ออมนทนเปรียบแต่นายในตอนเป็นเด็กเนี่ยอายเขาใครเขาได้ไอ้ทนไอ้ทนเหลี่ยมเหนือทนแล้วนั่นควันของเลียมด้วยอไอ้ก็ว่าไปไอ้หน้าไดา้ไอ้หน้าทนไม่ชอบใจอายเขาเพราะฉะนั้นไม่กล้าบอกใครว่าชื่อทนชื่ออมนทน มันไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นพอเป็นทหารเข้ามาถึงนี่รู้อ๋อคาว่ามณฑลนี่หมายถึงอะไรพอมาบวชเป็นพระเข้าโพธิมณฑลต้นโพธิพระเจ้าตรัตะตะุโก็เรียกว่าโพธิมณฑลออาพิสุทั้งหลายหมดประเทศเนปาลประเทศพมา่าประเทศลาวประเทศกคนเบร์ร์พิสุต่างๆทั้งหลายทั้งหมดนี้เรียกว่าพิสุในสังฆมณฑลเนี่ยจึงเข้าใจว่ามณฑลแปลว่าอะไรใชให้เปลี่ยนชื่อไม่เปลี่ยนแล้ว เนี่ยใครยังไม่เปลี่ยนว่าให้ชื่ออภิสิทธิ์ก็ไม่เอ า, เอาใครยัให้เปลี่ยนชื่อว่ัสุเทพ ก, ก็ไม่เอาไม่เอาละเอามนทนกูอย่างนี้แหละไม่ได้เป็นนาะยกกระชังแม่มันเอ้ยฮ่ามนทนนี่ดีนี่ว่าเมื่อก่อนมันไม่เข้าใจว่ามนทนนี่แปลว่าอะไรเพราะฉะนั้นเมื่อลบชนะกับมันแล้วก่อนพุทธะมณฑ น, นราญิกาวาสขึ้นมาพอช้าก็ไปบินตาบาดอย่างอง อ, อ, งอาจมาสพยักเลยเออกูชนะแล้วเออ ก็เดินไปบินสายตาเราก็ดูสิวันนี้มันซุ่มอยู่ตรงไหนวะเออกูรบมันราชนะแล้วมาคืนนี้เออวันนี้มันซุ่มจะยิงกูอยู่ตรงไหนวะมาวานมันประจันบานกูทีแล้วมันเอามีดออกมาเล่นกูเดินจงกรมแล้วตายหาเออมนเล่นถกขาขาวมาตกลมบอลกูเลยเออแล้ววันนี้มันไปไหนมันซุ่มอยู่ตรงไหนวะก็เดินมาปรากฏว่าอ้าวโคต้นม่วงที่มันเคยซุ่มอยู่ก็ไม่มีก็เลยปรากฏว่าพอสายบาด แม่เขาบอกว่าคุณวันนี้เขากลับไปแล้วพ่อเขาไปส่งมาตอนตีห้าพ่อเขาไปส่งกลับกรุงเทพวันนี้เขาเลยกวาดน้ําตาลไว้ขวาดการะแหวไว้โกโก้ไว้โอ้โหก่อนแม่จะไปแม่จะเป็นห่วงเราเนาะเนี่ยทั้งที่ไม่ได้พูดสักคํานี่มันยังเป็นขนาดนี้โอ้โหไม่ใช่เล่นเหมือนกันเขาส่งมาทดสอบพัฒการทรางเทโลทินะมันปุ๊บเขาก็กลับพอดี กลับเทศพอดีไปเรียนต่อเนี่ยเบื้องบนก็ส่งมาก็ามาทดสอบว่าจะจริงไหมถ้าหาว่าคราวนี้เราไม่มีพผู้ เ, เจ้าไม่มีที่ระลึกไม่มีพุทธานุติรธรรมารุติสังฆาลุตติมีการระลึกนึกถึงหลวงปู่คูบาจันต์ต่างๆไม่มีสังข า, น, งง น, น, า น, นุตินึกถึงพระสนะที่มาเดินอยู่ความมตาเอจนตเตตนติตีนแตกเราก็คงจะไม่รอดปากเหี่ยวปากกาไปได้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเกิดความองอาจในการที่เราตั้งสัจจะว่า จะไม่ขอศึกขาราเพศตั้งแต่พรรษาที่สี่จนกระทั่งมาสามิก้าพรรษาเนี่ยจริงองอาจตลอดเวลาไม่นั่นเลยเพราะได้ลบมันมาครั้งยิ่งใหญ่ยู่ครั้งที่นั้นทั้งีไม่ได้พูดจาเนี่ยตะวระจิตมันตกไปเองจากนั้นไม่เคยเป็นอีกเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยก็เลยปรากฏว่าเมื่อพศสองพันห้รอยี่สิบสี่เดือนพฤศจิกาเข้าไปสร้างวัดที่ทุ่งสมอพุตมนทนนี่ ปรากฏว่าพอมีถนนเข้าไปวัดถนนก็เข้าไปวัดเมื่อวันที่18ถึงวัดเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2525แต่เวลาเข้าไปอยู่ปลายเอปลายปีพ2524เพราะฉะนั้นวันที่18กุมภาพันธ์พ2524ถนนสามารถจะมีรถเข้าไปได้เข้าไปถึงวัดก็ปรากฏว่าวันหนึ่งก็มีรถแลนด์โรเวอร์แลน่นเข้ามาอ้าววันนี้ในวันนี้หลงเพราะจากรถ ไอหาดันน่าจะมาคนเดียวดันพาผัวมาซะด้วยเออผัวเขาเป็นประหลักอำเภอสังขะบุรีผัวเขาโน่งแกงขาสั้นใจเสื้อยืดสูงยาว ข, าข่าดีโอเขาสมไม่ยังกิ่งทองประยกุกไงเราหรือดำบึ้งทู่อไอหาเขาสมไม่ยังปีทองประยกรูปรา่างเขาสูงยาวเขาดีเทนคู่เลยเขาบอกว่าลุงพี่ทราบว่าลุงพี่มาสร้างวัดที่นี่เลยมาเยี่ยมเขาว่าเ น, นี่ยเป็นคำแรกที่เขพูดกับเราไอเราก็ไม่เคยพูดกับเขาก็าได้พูดกับวันนั้นเป็นครั้งแรก แล่วตั้งแต่วันนั้นแะจนบัดนี้ไม่รู้แม่ตายไปแล้วยังหรือยังไงก็ไม่รู้ไม่เคยเจออีกเลยเนี่ยหมอเขาไปเยี่ยมแม่เข้าไปเยี่ยมครั้งเดียวเนี่ยทราบหลวงพี่มาสร้างวัดที่นี่เลยเข้ามาเยี่ยมแล้วจากนั้นก็ไม่เคยเจอเจออีกเลยเนี่ยก็เล่าให้ฟังอย่างนี้แหละเนี่ยในวิถีพิ ธ, ธีผ่านมาเนี่ยหลายเรื่องหลายสิ่งหลายอย่างหลายประการเนี่การนี้อาเป็นครูบาอาจารย์รู้แจ้งเห็นจริงจะมาพูดแรงต่างาให้ฟังเออมันไม่ใช่ง่ายไอ้นี่เรื่องนี้ นี่คือสัตว์คนนะที่ถามว่าเจอสัตว์ร้ายไหมเจอสัตว์ป่าเจอไหมช้างเสืออะไรต่างภาภาสารพัดเลยแหละแต่ไม่เท่ากับสัตว์คนสัตว์คนนี่มันทําให้เราร้องไห้ได้อะก อ, อแต่เสือช้างนี่เจระเข้ลงไปจับมันเราไม่ร้องไห้ก็ลงไปจับมาแล้วจระเข้เรียกมาเห้มขึ้นมาอย่างนี้ง้าวย่างก้างงูเนี่ยปีพศส อ, องพันร้อยสิบหกไปอยู่ในรูปแหวน หลงจากหลวงปู่แหวนมาก็เดินมาก็มาอยู่ในป่าเฮวอําเภอสันทรายบ้านเจดีแม่ครัวอําเภอสันสันป่าทรายบ้านเจดีแม่ครัวก็มีป่าเฮลคำว่าป่าเ้วนี่ก็แปลว่าป่าช้าถ้าภาคใต้ก็เรียกว่าเปลวเพราะฉะนั้นเมื่อมาอยู่ในป่าช้าเนี่ยพอดีมีการเผาศพเขายิงกันตาเชี่ยตาถูกยิงตายพาเขาไปกันหมดแล้วเราแขวนอยู่ในแพแฝวนก็อยู่ในแพในแพภาษาเหนือก็เรียกว่าป่า เราแข ว, วนกดอยู่ในแพพอเขาเผาศพคนเสร็จแล้วเขาก็กลับบ้านปิกบ้านกันพอเขาปิกบ้าน完了แล้วก็เอ่อย้ายกดมามาแขวนกดนอนที่โคนกระไพรโคนกระไพก็กระดูกม้อผีเต็มไปหมดเออเราก็อาศัยนั่งสมาธิที่หน้าเตานั่นเขากําลางาังเผาอยางรถยนต์นั่นผู้คนเขาไปหมดแล้วเราก็นั่งต่อ น, ตอ น, ต, อนตอนมืดแล้วก็เดินจงกรมกลับไปกลับมา เพราะฉะนั้นเราก็เดินจงกรมพุโทโธธรรมโอทั้กกลับไปกลับมานี่พอศ .2516 ที่เราได้ฟังนี้แล้วจากนั้นเราเดินจงกร ม, รมกลับไปกลับมาระหว่างหน้าเตากันนั่นเดินกับกองไปกลับมามันเป็นไปได้อย่างไรระหว่างที่เดินจงกรมพุโทโธธรรมโอกเท้าขวาเหยียบปุ๊บเนี่ยเท้าขวาเหยียบนาะฬิกาพุทธนี่ยถอยมญญาทันจะั่นก้าวไปเลยพระเท้าขวาพุทธ ยีเต็มฝ่าเท้าเลยก็ไฟฉายเราอยู่ในมือมก็ฉายดูยกเท้าขึ้นอ้าวงูตงนี้สัมผัสเดียด่ยวนี่หว่ า, าวภาษาเหนือเขาเรียกงูกั้นป้องเอออ้าวถ้าหากว่าภาคอีสานเขาเรียกงูทําทานเออมันกัดคนตายป้องเหลือป้องดําใช่ไหมเออกัดคนตายแต่ทําไมงูมันไม่ดิน้นทั้งที่เราเหยียบเต็มฝ่าเท้าอย่างเงี้ยตามหลักเราจะเห็นไหมว่าไส้เดือนเนี่ยมันเลื้อยยืดยืดมาโดนตัวปมก็ดิน้นหรือ จริงคือมันเลื่อยเลื่อยมาโดนตัวปุ๊บมันก็ขดกลมเลยแต่นี่งูสามเหลี่ยมแล้วกลางคืนอะ่ะเอรแล้วงูกลางคืนตาหลักมันไวอยู่แล้วอะ่ะแต่ทําไมแล้วงูสามเหลี่ยมซึ่งกัดคนไทยแล้วเราเหยียบเต็มฝ่าเท้าเลยมันถึงไม่ดิน้นเหอ้อนี่แหละที่ได้เห็นความอัศจรรย์ของพุโทโธครั้งแรกทําไมงูพิษมันไม่ดิน้นแล้วมันก็ไม่กัดนี่ แต่ถ้ามันกัดเราก็ไม่ยอมไปโรงพยาบาลกันนั่งไม่หน้าเต่อควายตายเลยนั่งตายเลยเพราะเราอย่างนั้นเมื่อสมัยก่อนนี้เออตายเป็นตายเพราะฉะนั้นในกรณีนี้มันก็เลื่อยไปแล้วควุยกับมันเออพันทุกข์พันยากเอออย่าเบียดเบียกันนะเป็นสุขเป็นสุขนะคุยกับมันอะไรต่างนั่นอะไรต่างอุทิศบุญอุทิให้นาะอะไรต่างมันก็ค่อยเลื่อยไปเลื่อยไ ป, ไปแล้วก็หายไปในตงหญ้า เราก็เดินจงกรมกลับไปกลับมาจะประคุลเลยเดินไปกลัวจะเหยียบมันอีกเดินไปกลัวจะเหยียบมันอีกเดินไปเดินมาจนกระทั่งนั้นแะไรต่างแล้วทึนได้นั่งสมาธิก็อยู่อยู่ได้อย่างสบายอันนี้แหละก็ที่เราได้ควังได้เห็นความสัจย์ของพุโทโธครั้งแรกเมื่อลงมาจากดอยแม่ฟังเออทาไมเหยียบงูสามเหลี่ยมงูสามเหลี่ยมจริงไม่ดิน้นจากนั้นอะไร นะละครหมดยกเลยเลอะอะไรนะเลอต้องการฟังต่อเลยเอ อ, อ, อเพราะฉะนั้นพอสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดนี่แหละที่ไปเจอแม่วะนีนี่แหละพศสิบเจ็ด ก็ไปอยู่ที่ถ้าแกงกระตรงคราวนี้ก็ไปเจอกับงูจงอางก่อนที่จะมาเจอแม่นางเอกเนี่ยก็เลยไปอยู่ที่ถ้าแกงกระตรงก็ะเลียงบัวอ่องบ้านไร่ป้าก็ะเลียงบ้านไร่ป้าเข้ารุ่งมีพระมาอยู่ในถ้าเขาก็เลยมานิมนต์ให้ไปทําบุญที่บ้านไร่ป้า ไล่ป้าเนี่ยแปลว่าหินลาดคือหินที่ลำห้วยน้ําจะลาดไปแล้วน้ําก็ไหลไปเขาเรียกไร่ป้าที่ไล่ป้าที่แปลว่าน้ําภากระเหลี่ยงที่ไล่ป้าเขาก็นิมนต์ไปเขาก็นิมนต์ไปถวายอาหารนั่นอะไรต่างทําบุญอะไรต่างเขาก็เลยพาไปโบอองเพราะว่าถึงปีก็ต้องไปไหว้เจดีย์โบอองคําว่าโบอองเนี่ยแปลว่าอะไรโบอองเนี่ยแปลว่าบุญสําเร็จสําเร็จบุญ อถามพ่อธรรมะแล้วที่โบอองเนี่ยมันเป็นสระน้ํากว้างใหญ่แต่มีภูเขาโดดๆอยู่ลูกเดียวเหมือนอย่างภูเขาทองกรุงเทพเนี่ใช่ไหมภูเขาโดดๆลูกเดียวอยู่กลางสระน้ําแล้วรอบๆในบัวสะบัวเนี่จะเป็นดอกบัวเต็มไปหมดเออเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยก็ไปที่โบอองกระเหลี่ยงก็เดินสู้ไปได้เพราะเดินไวกว่ากระเหลี่ยงก็เดินอ่า เดินไปเดินไปก็เลยพอไปถึงที่สะนาำแล้ก็มีสะพานเดินข้ามก็มีสะพานเดินข้ามก็เดินข้ามไปคราวนี้เรามันมีสติอะเรามีพุโทโธธรมโมสังโฆโุทโธธมโขโขตลอเวลาทุกย่างก้าวใช่ไหมละ่ะเพราะฉะนั้นเรามีพุโทโธธรรมโมสังโฆอยู่ทุกย่างก้าวเพราะฉะนั้นเมื่อเดินเดินเดินขึ้นไปเนี่ยเสียงห้องห้อหองถ้าหากว่า มันฉกเนี่ยมันกัดหัวเราเนี่ยหรือแม่กัดหน้าอกแล้วพมอยู่โสงกว่าแผลแม่เบีย้ยเราก็ไม่ตกใจเพราะจะตกใจยังไงเรามีสติอ่ะเพราะฉะนั้นคนมีสตินี่จะไม่ตกใจให้เข้าใจไว้ถ้าเรามีสติเราจะไม่ตกใจไม่ไหวเออเออเปอ็นยางงไงเออเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติเราจะไม่ตกใจเออมันเท่าทันกันทันทีเออเพราะฉะนั้นก็ เออเพื่อนทุกเพื่นยาเอออย่าเบียดเบียกันนะไปสุกไปสุกเธอเธถึงนะารับบุญสนเราไปนะมันก็แผลบินแผลบิแบ้ แ, บแลบาาาาททิ้นแผลบิ้นแผลบิ้นแผลบิ้นแผลบิ้นแผลบิ้นแผลบิ้นแผลบิ้นแผลบิ้นแผลบิ้นแผลบิ้นแผลบิ้นแผลบิ้นแผลริ้นแผลบิ้นแผลบิ้นแผลบิ้นแผลบิ้นแผลบิ้นแผลบิ้นแผลบิ้นแผลบิ้นแผลบิ้นแกลบิ้แผบิ้นแผลบิ้นแผลบิ้นแผลบิ้นแผลบิ้นแหละก็พแสอเดียวกัน เอองูจงอางมันก็ไม่น่าตื่นเต้นมันงูจงอางเราก็ไม่ร้องไห้แต่เจอนางเอกนี่เราถึงก็ร้องไห้เลยเออเพราะฉะนั้นปี ท, ทั้งพันปีแปดไปใหม่อีกปี ท, ทั้งพันปีสิแปดสิแปดไปใหม่อีกก็ไปไปที่นั่นก็ไปกับสมณีนสององสมณีนี่ก็มีสมณีละองพลฉลาด หรือชื่อเล่นชื่อไอ้ตู้บ้านมาอยู่ภูเวียงจังหวัดขอนแกน่นเออไอ้ตูล้ลรอองพลฉลาดนี่ชื่อเล่นชื่อไอ้ตู้ระองพลฉลาดบ้านอยู่อำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแกน่นแล้วจากนั้นก็สำมานเอ็บันเทิงน้องชายคนสุดท้องก็ไปด้วยกันไปก็ตอนเย็นเดินจงกรมอยู่ตอนเดินจงกรมอยู่ตอนเย็น ก็เดินอยู่ที่รินขอบสะนั่นแหละและข้างบนเจดีอข้างบนที่ยอดเขานั้นมีเจดีเจดีลักษณะเจดีมอญก็เดินจงกรมกลับไปกลับมาเสียงอ้อหูโอ้โหกังวานลั่นไปหมดเราก็ขี่เยอะแทบจะแยกกันออกเลยเออ ความกลัวเราไม่เคยยิงนี่ขนาดไปรบมาในเวียดนองเวียดนามอะไรต่างแต่คราวนี้เราเป็นนักรบเรามีปืนเรามีสมบัเหล็กเรามีเสื้อกลับเพราะฉะนั้นได้ยินเสียงอย่างนี้เขาอ้าวหุ้มอย่างนี้เราก็ดูก็เสือโคร่งมันจะมาเออความกลัวตายขี้เยีย่ยมจะแย่งกันออกก็เลยชวนสำเร็จขึ้นเลยเสียงมันก็เป๊ะป้าเป๊ะป้าป้าป้าตัวอะไา อ้าวช้างนี่ว่ไม่จะเสือก็เดินขึ้นเจดีย์อะไรเดินขึ้นแบบย่อเขาเลยเพราะว่าช้างมันขึ้นเขาไม่ได้เราคิดไปงั้นเพราะมนเขาโด ด, ดลูกเดียวก็ขึ้นไปนั่งบนนั้นนั่งสมาธิบริษัทเจดีย์จะมีสี่เหลี่ยมก็ไสามองค์ก็นั่งกันคนขอบถ้าว่างุบลงมาก็ล่นม า, มาตายเลยแหละเออเพราะว่าฐานเจดีย์นี้ล่วงันมาตายเลยแทะก้อนห็นตายเออก็นั่งอยู่พอสี่ทุ่มมันก็ลงมาเอ้ป้าปเาป้ป้าเป้ป้าก็ลงมาเราก็ฉายควาดูมันก็ยืนนิ่ง จากนั้นอามันก็ลงมากินน้ำอะไรต่างๆนั่นกันมากลับกไปก็หากินเดือกไปไ ป, ไปั๊บไปปั๊บเช้าเราก็มาบิน ก, ร ะ, รเนกะเรีย่ยบินสบาดบ้านกะเหลี่ยมก็ให้สาเนนบันเทิงน้องชายเข็มทองสำเนนบันเทิงเข็มทองน้องชายนี่อยู่เฝ้าผู้เดียวก็มีกระปิบอยู่ลูกหนึ่งบอกถ้าชามเข้ามาให้มันตีกระปิบนะเ ป, ปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงกง็ไปบินสบาดกับําเนนละองพลจันารไปบินสบาดบากะเหลี่ยงก็ตกประมาณสี่กิโลเมตร เออก็ได้จะให้ขนนอ่อนดิบขนนอ่อนต้มกล้วยสุกลูกสองลูกแต่ข้าวนีนเต้มบาทเลยเออเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยน้ำพริกที่กะเหลี่ยงให้มาเนี่ยก็กินไม่ลงมันเผ็ดโอ้โหกินเข้าไปแล้วมันเผ็ดเออเวลาขี้นี่ต่อตูดแช่น้ำเลยมันแสบตูด โอ้พิกเหลียงนี่มันเผ็ดจริงๆขึ้นชื่อถามพระโตดงมันจะรู้ว่าพิกเหลียงนี่มันเป็นยังไงเวลากินก็โอ้โหจะแบบคุณแลบลิ้นเออร้อนลิ้นน่าดูเวลาขี้ต้องเอาตูดแช่ในลาธารน้ําให้มเย็นตูดเออมันร้อนมาอดอยากลาบากเออเก็บลูกซ่านมาต้มให้เนนต้มกินยอดระ ก, กูดบ้างยอดผักหนามบ้างเออ คราวนี้ก็เลยวันที่สองวันที่สองช้างมันก็ลงมากินน้ำประมาณสองทุ่มก็เอ้ป้าเป้เป้าเป้เป้ า, ปปาปลงมากินน้ำประมาณสองทุ่มอ้าวแล้วจากนัน้นก็หากินบริเวณนั้นชา้าเราก็บินบาดอย่างนี้คราวนี้พอวันที่สามพอวันที่สามเนี่ย ช้างมันก็เบบาเแบบาเแบบาผัแบบาแบบาากไม้ผมเผยผมเผยหากินในบริเวณแถวนั้นเราก็นั่งสมาธิอยู่โคนต้นโพมันมีต้นโพขี่นกขึ้นอยู่ริมขอบสะช้างมันก็นยังไม่ลงมากินน้ําก็นั่งสมาธิมองไปที่เจดีย์ที่ยอดเจดีย์โบอองกลิฐ า, านว่าถ้าหากว่าพุทธศาสนามีจริง พุทโธธรรมสังโคมีจริงชาตินี้ชาติหน้ามีจริงมรรคผลนิพพานมีจริงเวรกรรมมีจริงถ้าหากว่าช้างฝูงนี้เคยฆ่ากันมาก็ขอให้มาก่อนตะวันตกดินข้าพระเจ้าจะเดินเอาพุทโธธมโมโค่นี่แหะ เข้าไปหาช้างจะเข้าไปจับหัวช้างออยอมตายเพราะฉะนั้นถ้าช้างกระเทือกพระเจ้าตายข้าทวารเจ้าถวายชีวิตเป็นทานทานนบรลมังก์บารมีบา ร, ร ม, า ม, รรมีขึ้นชื่อว่าพบคือความตั้งชาติคือความเกิดไม่เอาจะเกิดเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพระบรมเอ๊เป็นพระบระมโอรสาธิราช เป็นเจา้าฟ้าพยากษัตริย์ไม่เอาเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีไม่เอาเป็นนายกเล่นตีในร้อนในพลในพันุ์ไม่เอาเครื่ชื่อว่าความเกิดไม่เอาเอาพระนิพพานอย่างเดียวตายแล้วแล้วกันขอเป็นพุทธบูชาขอเป็นปาาบารมิตถบารมีขอเป็นบรมิตรทานยอมตายขอให้มาก่อนตะวันตกดินพอตั้งสัตย์ยิฐาเปิดปุ๊บ ก, ก็ไปอาบน้าน้ำห้วยไปอาบน้ําน้ำห้วยก็กรองน้ามา ก็หามน้ํามาก็ไม้สอดเอาไม้สอดปีบไปนะไม้สอดปีบมาก็สําเนียงเราออกพลเ่ยไรก็เดินนำหน้าออก็กเขาบอกวมไม้มันก็หักกันสิชามก็ลงมาแล้วไปปัป๊ไปปัป๊แต่ยังไม่ลงน้ำเพราะเราตั้ง ส, สถานีฐานแล้วนี่กเขาบอกว่ากระปิบเออไม้คานที่เราหามมาเงีย้ยปีบมีเงี้ยนะคานมันก็หักโคมใจเราวาดแบบกูตายแน่กูตายแน่รางมันมาแล้วลางตายแน่สําเนียนมันก็ไปบอก หลวงพี่หลงพี่ตายแน่ลางมันมาแล้วช้างกระทือพี่ตายแน่เราก็ฉับไวเฮ้ย hey! ลูกก็ถาคตไม่เชื่อโชคลางต้องเชื่อเหตุและผลใกล้หาไม้มาเล็กไปก็หักกันสิแต่กูตายแน่กูตายแน่เออมือตีนอ่อนไปหมดแต่แล้วมันก็แวบขึ้นมานึกถึงมักโทเออใครเคยอ่านเรื่องมักรโทรบ้าง มักกะโทเนี่ยเป็นพ่อค้ารามันเดินทางมาค้าขายจะมาอย่างสุโ ข, ขทัยมาทางทิศตะวันออกเอออยู่เมืองมอตะมะเพรา ะ, ะนั้นมักกะโทเดินทางหาบข้าวของมาค้าขายเออก็บอกว่ามาผ่านมาบ้านหมอดู <c oughs> ก็เลยให้หมอดูดูว่าตัวเองนี่จะไปค้าขายในทศิศตะวันออกเนี่ยจะมาเมืองไทยเนี่ยจะ ค้าขายดีไม่จะมีเหตุมีภัยอะไรหรือเปล่าหมอดูเขาเลยบอกว่าต้องเอาทองเนี่ยมาให้ท่วมหัวเนี่ยถึงจะดูให้ได้ทองเท่าท่วมหัวยังไม่ดูให้ได้มาร์ทอรก็มีแหวนทองอยู่วงเดียวก็เลยวางมันยอดกองปลวกขึ้นเออหมอดูก็บอกไอ้นี่มันมีปัญญาดีเว้หาทองมันเลยหัวนี่หว่า <c oughs> ก็เลยดูให้บอกว่าไปค้าขายนะ ท, ท่านที่ตนออกก็จะเจริญรุ่งเรือง มักกโทก็เลยเดินทางมาหมอไปดูเขาคืนแหวนให้เขาไม่เอาหรอกคราวนี้มักกโทเนี่ยเดินทางมาแล้วมาทิศตะวันออกมาสุโขทัยเดินทางมาก่อนจะถึงฟ้าก็ผ่าเปลี่ยงคานหักมักกโทก็ทําคานใหม่อีกฟ้าก็ผ่าเปลี่ยงคานหักอีกมักกโทก็ทําคานใหม่อีกฟ้าก็ผ่าเปลี้ยงคานหักอีกก็เลยทําคานที่สี่ก็เดินหาบทางมาถึงสุโขทัย มาสุขโขทยก็เลยมาอาศัยอยู่ในตะพุ่นเป็นตะพุ่นญ่าช้างคือเป็นคนเกี่ยวญ้าหช้างของพระเจ้าพรล่วงพระล่วงเอ๋อพระเจ้าเารามกมแห็งพระล่วงเจ้าเพราะฉะนั้นก็เป็นตะพู่นญ่าช้างเกี่ยวญ้าช้างวันหนึ่งพ่อคุณรางกมแขงมาห า, าราชกษเดจมาดูช้างก็บวนพระเขละเขละเขลาคือน้ำลายทุยน้ำลายไปอย่างนี้บ้วนน้ำหมากอะ่ะก็บางทบเบีย้ยสมัยก่อนเขใช้เบีย้ยไง ใชบี้ยเป็นการเงินตราค้าขายก hey ็บอกเฮ้ยไอ้บุตรลามันน้อยไอ้ลูกมอนน้อยน่ะมึงจึงเก็บเบี้ยนั้นไปมักกะทเก็บเบี้ยนั้นมาเออก็ไปร้านขายเม็ดประกาศเม็ดพันประกาศหรืเม็ดประกาศเนี่ยก็ไปขอซื้อเขาเบี้ยหนึ่งเ้าบอกขายให้ไม่ได้หรอกเบี้ยหนึ่งหน้ามักกะทบอกขอแค่นี้นะก็เอานิ้วจุ่มเข้าไปในปาก อั น, นี้จุงก็ไปนในปากเปิดรับเลี้ยรัลายแล้วก็มาคลึงคลึงลึ ง, งึงก็เม็ดพันธุ์ประกาศก็ติดนิ้วมาก็เอามาเพาะปลูกเข้าวแล้วก็จากนั้นก็เอาขี้ช้างมาใส่ก็เป็นปุ๋ยงามพองามได้ขนาดดีแล้วก็เอามาถวายพระล่วงเจ้าพอคุณล่างกาแหงก็เลยถามว่าเอ้ยมึงไปได้าศาสตร์ที่ไหนมาวะก็เลยบอกว่า ครั้งนั้นที่พระองค์บอกให้ข้าพเจ้าเก็บเบีย้ยนันไปก็เลยไปเอาเม็ดพันประกาศมาปลูกเอ๊ะมึงมีปัญญาดีนี่หว่ามึงมาอยู่กูก็ล้กันก็เลยให้เข้าไปอยู่ในวงังเมื่อเข้าไปอยู่ในวงังเข้านอกในได้พระร่วงพระพระ่วงรางว่าแหลงก็มีลูกสาวชื่อว่าเจ้าส้อยแสงดาวก็เลยปิ้งจะาอยแสงดาวก็เลยพาเจ้าส้อยแสงดาวหนีเลยเอารักกระ น, นาผ้ากันหนีไปเมืองมอตมะเลยก็ไปกู้บ้านกู้เมืองไปนั่นอะไต่างก็เลยได้เป็นพระเจ้าแผ่นดิน ของเมืองมอญก็เลยพาจะสรอดเส้นดาวมาขอเขมาภายพ่อคุณลางขแข็งห ม, มหาราชพ่อคุณแรงขมแข็งหมหาราชก็ได้ตั้งให้เชื่อเจ้าฟ้ารั่วนี่เราก็ฉุดคิดขึ้นมาเลยว่าไอ้ที่ไม้คานหาบน้ําของเราอะนะเออที่มันหักนะี่ยปีกกรแทกกระดิ่งโคร้มน้ําบานเลยนะ น, น่ะก็นึกถึงมกระโถงมันก็ผูกใจทําให้เกิดเรขึ้นมาเออคูค ง, งไม่ตายแน่ไว้ยมกระโทงมันกันคานหักสาครั้งเนี่คนที่มันอ่านหนังสือมากเป็นอย่างไงก็ได้ไหมเพราะนั้นอะไรจะมีมาตลอดปลแปลงนั่นหมด ก็เหมือนพระโสดานี้มาที่ต่อสู้เขาทเดินกลมเนี้ยเห็มล่ะเนี่ยมันจะมีอย่างนี้เพราะนั้นอ่านหนังสือมากๆสดับตับฟังมากๆเออเนี่ยการสลับตับฟังเนี่ยเขาเรียกว่าพหุโสเออพหุโสการสลับตับฟังนี่เออเพราะฉะนั้นภาวนามยตาปัญญาจิตตาเมตตาปัญญาเออภาวนาการภาวนาจิตตาเมยตาปัญญาเออ เนี lifting, ่ยในการศึกษาในการเล่าเรียนในการอะไรต่างเพราะนั้นเราอ่านหนังสือมันก็เรื่องนี่งนู้นมาช่วยเรามาช่วยดับทุกข์เรามาช่วยคลายปัญหาอะไต่างไปได้เพราะเราอ่านหนังสือมากได้ยินได้ฟังมามากอุบายต่างๆในการแก้ไขในการอะไรต่างหนังสือประวัติจักรพรรดิธรรมะอุบายจารย์ต่างๆมากเราก็ได้อ่านเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเหมือนกันเราก็กลัวตายเหมือนกันแหะเพราะว่ารางมันบาบอกเหตุทําไม้คานที่หาน้ํามันหักนะแต่ก็ไม่รู้ถึงมรณะโทก็เลยเอาน้ํามา ที่พักได้ปุ๊บมันมีสาราหลังน้อยอยู่ก็ให้เน้นเก็บดอกบัวสามดอกในสระน้ำแล้วจากนั้นก็ห่มผ้าเรียบร้อยขาดพุงให้เรียบร้อยขึ้นบนจะดีเลยพอขึ้นบนจะดีปุ๊บช้ามันก็ลงมาเลยช้ามันก็เลยลงมาหกตัวเออคราวนี้หกตัวเนี่ยเราก็มิจจรณาเป็นธรรมะหกตัวมันมีอะไรล่ะเออก็าอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจ นี่ช้างหกตัวทําไมเขาโดนบันดาลมาให้หกตัวก็หมายถึงว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะครบอายตนะเพราะฉะนั้นช้างมันลงมาปุ๊บมันเห็นเรานั่งอยู่มันจะดีมันก็หยุดนิ่งหยุดนิ่งใช้มันก็หันกลับเข้าป่าไปเลยก็ะเดียวมันมาหมายโอ้โหยี่สิบสามสิบตัว เราไม่นับมันแต่ไงไม่ต้องมาต่ากว่า20่วฝ่าขึ้นไปถึง30หลงก็อกเอ๊ะป้าเป้ป้าเป้้าเป้้าเป้ป้าเป้้าเป้้าเป้้าหลงมาของวามความความพ่นน้ำฟูฝาดฟูฝาดเอ๊ป้าเป้กูตายแน่กูตายแน่เพราะฉะนั้นขัดสักเคและชมนมเทวดาเลยเทิดาคว้าดินจงเป็นพยานขอตั้งกริยาณจิตในฐานต่อองค์พระหัตะสมมาธรรมพุทธเจ้าทุกๆุประอง พระปเจ้กับพุทธเจ้าทุกบรองค์บริยสาวกเจ้าทุกทสมบองเทพไทยเทวาเทพบีดาควาดินที่รักษาพุทศาสนาเนหมื่นโลกธาติแสนโกตะกวนลภมมะเทวาลุกขะเทวาอากาศเทวาพระสวารเทวาธิราชแม่ธรณีคงคาเจ้าทุ่งเจ้าฝ่าเจ้าฝ่าเจ้าเขาการรบดี้ข้าพเจ้ายอมตายขอแลกกับพ้นิพานเพราะฉะนั้นฝูงช้างนี้เคยฆ่ากันมาเคยนั้นขอเครื่อนทื้ข้าพเจ้าให้ตายข้าพเจ้ายอมตายข้าเจ้าจะลงไปจับหัวมัน การอธิษฐานว่างานเพราะฉะนั้นข้าพาเจ้าไม่เอาเกิดมาเป็นอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ไม่เอาเกิดเป็นสมบัติของทรวเวก็ไม่เอาเกิดเป็นชวนฤกษ์ภัยก็ไม่เอาเออเกิดเป็นเทศเชือกสุบรนก็ไม่เอาเกิดเป็นแปมเป็ น, ป น, ปนรศมีลานนก็ไม่ดีสักอย่างไม่มีใครสักคนเลยนาะยกรัฐมนตรีสู่รัฐมนตรีไม่ได้รัฐมนตรีดีกว่าอีกเอกอก็ปรากฏว่าพาตั้งสัจจะอธิษฐานแต่อเปื่อล้อมไม่ปรารถนาพบชาติแล้วก็ ขอมาภายในทั้งสองว่าเออลุงพี่เคยดุมึงเคยว่ามึงอย่างนั้นอย่างนี้ขอมาภายอย่ามีเวรต่อกาต่อเวรกรรมต่อกันเพราะฉะนั้นเธอเงยน้องชายคนถูก ท, ทองเนี่ยถ้าหากว่พี่ถูกช้างกระทืบตายเนี่ยนะศพแพร่ทิ้งไว้ที่นี่ให้พวกกระี่ยงเขาขุดฝังเอาไว้ที่นี่เพราะฉะนั้นมรดกพ่อแม่ที่จะแบ่งให้เนี่ยกูขอยกขุมเงคนเดียวหมดมรดกของกูขอยกขุมึงคนเดียวหมดเพราะฉะนั้น ถ้าหากว่าพอได้มรดกมีเงินมีทองขึ้นมามือก็มาสร้างกิดีครอบตรงนี้ช้างกระทึดตายนะนเนนก็ร้องไห้ก็เราก็จะร้องไห้อย่างเงี้ยแหละแต่มันก็ตกแข็งใจกูตายแน่ช้างมากินน้ำเอาเป้ป้าเป้ป้าเป้ป้ า, ปป า, ปปาก็ลงลงไปเลยลงจากกดีลงจากยอดเขาเดินไปนี่ขี่เยี่ยมจะแยกกันออกเพราะความกลัวตายตีนมื้อมันอ่อนไมหมดก็เดินไปพุโทโธธมงโธเดินไปอย่างเงี้ยพุโทโธธมโธตองเดนไปช้างพอมันเห็นท่านั้นมันวิ่งริ้วมาเลยสามตัว ทำไมช้างมันต้องมาสามตัวทำไมช้างต้องลงมาหตัวที่ลงมาก่อนทีแรกหตัวก็อายตนะหกไงตาหูจมูกลิ้นกายใจจากนั้นมันก็ลงมาสามตัวแล้วสามช้างสามตัวคืออะไรช้างสามตัวก็ศีลสมาธิปัญญาท้างถามตัวก็กายวาจาใจช้างสามตัวคือพุทโธธรรมโอทั้งโขช้างสามตัวคือความโลภความโกรธความหลงเข้าใจไหมล่ะมันถึงได้มาสามตัวไงเราเออกายวาจาใจความโลภความโกรธความหลงเอศีลสมาธิปัญญา พุทโธธรมโสังโฆเพราะันช้างจริงมาสามตัวเนี่ยมาตีแตกหมดเเพราะนั้นช้างสามตัวในช้างสีดอทั้งนั้นช้างสีดอนี่เป็นช้างกระเทยตัวมันจะใหญ่มันไม่มีงาเพราะฉะนั้นเนี่ยช้างงาเนี่ยอย่าคิดว่าเป็นช้างดุช้างงามจะดุเวลาตกมันเท่านั้นเพราะเวลาเนี่ยเวลาช้างในป่าจริงเนี่ยช้างสีดอเป็นช้างคุมโขงคุมหมู่ไปงานช้างงาเนี่มันกลัวมากเหมือนคนผมสั้นกับคนผมยาวอ่ะ อย่าตะมาใครมาจับผมาม า, าดึงได้ไหมแต่พวกผมอย่าตะามาจับป๊อบิดเลยวิธีการจับผมดึงก็ต้องดึงให้เป็นนะดึงให้เป็นดึงแล้วต้องเล่นคอพลิกอย่างงี้งั้นเคาไม่เป็นก้จับดึงอย่างเงี้ยไม่มีทางต้องจับแล้วบิดพ๊อเนี่ยตะมาที่จับแขนจับขาทุ่มอะไรอ่างเงตามาสบายมาก65เนี่ยจริงเนีอยแต่ละคนเนี่ยตะมาจับทุบพลิกทุ่มไปหมดงั้นใครล็อกคอบีบคอตะมาไม่ได้เนี่ยตะมาที่ใครบีบคอไม่ได้เลยใครล็อกคงล็อกคอไม่ได้แลยตมาทุ่มตมาล็อกเป็นหมดจับแข็งแขนขาหมด งันตำรวดไจไม่เายมาจับข้อมื อ, อมาที่อล็อกกุญแจมื อ, อมาจับตบพ้อาหาแขนหนักเลยไม่ได้เพราะมันเรียนนะ่ะวิทยายุทธ์เพียบเพราะฉะนั้นช้างมันก็เล้วๆเข้ามาเลยช้างสีดอสามตัวงวงรล้วๆๆอย่างนี้เลยเราก็เดินพุทโธธมโอสังโคไปมือตีมันอ่อนไปนหมดที่เยี้ยวมันก็จะแยกกันออกกายครุตาจิตครุาตากายหนักจิตหนักอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเรามันกายหนักจิตหนักทําไมจึงกายหนักจิตหนัก เพราะคิดว่ามันเป็นเราไงคราวนี้เรากลัวตายมันสุดยอดนะมันไม่มีอะไรความนักอื่นเสมอด้วยตนไม่มีเพราะฉะนั้นจะเอาตอนนี่แหละปลายช้ามากระทืบเพื่อต้องการพุนิพานต้องการพุโธธรรมโมสังโฆเล่าเย้ายุงกัดตัวงก็ไม่ยอมไปแล้วออนับภาษาอะไรแล้วอยากจะไปนิพพานคอยไปเถอะอีกยี่สิ้าชาติอีกร้อยชาติพันชาติ บ, บ่อย เออต้องบ่ายทีกด้วยนะเธชา้ชาไม่ทันคขอหรอกออต้องใบบ่ายอีกสักร้อยชาติพันชาติใบบ่ายแค่ยุงตัวยังไม่ยอมอะ่ะเออแล้วนี่ช้างมันเลี่ยวเ ล, วลวเข้ามาเออมันงวงเลี่ย ว, วเข้ามาเลยเราก็เดินพุทธโธธรรมโมสังโฆึ้นไปเพราะฉะนั้นจึงกล้าพูดอย่างองอาจไม่จะทกตะทานหวั่นไหวพุทธโธธรรมโมสังโฆเนี่ยเดินเข้าหาช้างมาแล้วพุทธโธธรรมโมสังโฆเนี่ยลงจับจระเข้มาแล้ว เลี้ยไข่จะเาเขมขึ้นมาแล้วลงไปจับมาแล้วคราวนี้อ拉หังสัมมา阿拉หังสัมมาอ拉หังลู่หนอยางหนอเห็นหนอถานจริงว่ายากหนอเห็นหนอรู้หนอเนี่ยช้างมันรลี้ๆเข้ามาจะยากหนอลู่หนอหรือจะวิ่งหนาะวิ่งหนอนี่แล้วสัมมา阿拉หังสัมมา阿拉หังสัมม า, าหล ถามจริงว่าจะ ก, กล้าไหมมีใครกล้ายืนยันบ้า ง, งแต่นี่แหละพระครูสุชาติการชนะโกศลอาจารย์มทนทนี่แหละน้ำตะ ก, กุ่นเข็มทองฉายาชยวัฒน์โทนี่แหละกล้ามาแล้วอ่ะไม่สะทกสะทานวั่นและตายเป็นตายเป็นไงเป็นกันนี่แต่ไม่รู้อ่ะที่ว่าสัมมาหังสัมมาหลังยุดหนอพองหนอรู้หนอเห็นหนอย่างหนอจะ ก, กล้าไหมแต่ไม่รู้เนี่ยพระครูสุชาติการชนะโกศลเนี่ยสู้ไปว่าดีชาติไปว่าเกิด การชนะแปลว่าทองคำโกศแปลว่าฉลาดแปลว่าผู้ฉลาดเกิดดีแล้วในเมืองทองคำํำนี่พระครูสุชาติการจะนะโกศเจ้าคณะจังหวัดการเป็นผู้ตั้งให้เพราะเห็นว่าเป็นคนกรุงเทพไปทั่วหมดในประเทศไทยนาวมาท่องตามประเทศแต่แล้วเลือกไปอยู่จังหวัดการสุแปลว่าดีชาติแปลว่าเกิดการชนะแปลว่าทองคำโกศกุศโลกุศลแปลว่าความฉลาดแปลว่าผู้ฉลาดเกิดดีแล้วในเมืองทองคำํำนี่คือฉายาได้สมณศักดิ์ ที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประทานให้เป็นพระครูสัญญาบัติเพราะฉะนั้นจึงไม่สะทกสทานหวัน่นไหวเรามาได้เห็นมาแล้วอะแล้วถามจริงว่าที่ภาวนายุบหนอพองหนอสัมมาละหังนั้มีใครกล้ามัง่งมากล้าเล่ากล้าพูดอย่างเนี้ยยังไม่สะทกะทานอย่างนี้บ้างเสียงดังควางชัดอย่างนี้บ้างนี่กล้าพูดเพราะฉะนั้นถามเลยอยากจะถามว่าพระเด็ดพระคุณท่านอาจารย์ครับ ถามจริ ง, งว่าอาการของจิตบอาการร่ากายเป็นไงเวลามันกลัวตายที่สุดนะ่ะกล้าตอบผมไหมที่เป็นอาจารย์ยรที่ปรัชนากรรมฐานดังๆกันเถอะศักดิตัวตนไม่ใช่ตัวตนของเราสักขะที่ดินนั่งัยหลับตาเทศปอุ้ยอุทนไม่ได้วะเห็นนั่งหลับตาเทศน้อยอุ้ยอุทนไม่ได้วะไอหาง ก, กูมันจะควันต่อควัน ต, ตาตากันอย่างเงี้ยเป็นไงเป็นกันเออถามจริ ง, งว่าว่ากล้าไหมจะกล้าไหม นี่นี่มันกล้าแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อมันกล้าอมันจึงไม่สะทกสะทานหวั่นไหวเพราะมันเป็นของจริงเพราะฉะนั้นเลยพวกกับผู้เทศหลวงพระเดชพระคุณครับผมไม่กล้าเล่าวางเล่าขวางเขาหาผมโม้หาผมกุยอวดผู้เทศท่านบอกว่าของจริงเนี่ยเราเล่าให้ขวางเขาจะเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ตามมันก็เป็นของจริงแต่ของไม่จริงเนี่ยอ <c oughs> เราเล่าเขาฟังเนี่ยเขาเชื่อกขาตามไม่เชื่อเขาตามมันก็ไม่ใช่ของจริงแต่ของจริงเนี่ยเราเล่าเขาฟังเขาไม่เชื่อมันก็เป็นของจริงนี่คือภูเทสท้างให้กำลังใจเพราะเราเล่าฟังหมดเราเล่าผู้แหวนฟังปู่ขาวฟังท่านหูวล่อกันใหญ่เลยเพราะครูบาอาจารย์ต่างพวกนี้มันผ่านมาแล้วทั้งนั้นแต่ว่าไม่ได้ผ่านจากเราพ่อรีว่าสองกลางทิ้งบาทที่กดตะเพีนวิ่งจนไม้เลยประจางวิ่งออกมานี่อาจารย์จวนอ้าวอ่านประวัติท่านไปอยู่ภูวัวช้างมาท่านวิทงากติหละจากนั้นทิ้งออกมา อา้าวอาจารย์ยันตระขึ้นไปอยู่บนภูกกดึงพอช้างมึงมาวิ่งเขา้าปกติอาจารย์ยันตระแต่นี่อาจารย์มันทนอย่างนี้แหละเดินออไปเพราะฉะนั้นมันรู้แล้วอาการกลัวตายของที่สุดเนี่ยมันเป็นยังไงที่สุดของความกลัวตายเปไ็ปนยังไงไรปร็อกโดยว่าน้ำยิงกันยังไงปะทะกันเลยมีหมวกเหล็กมีเสื้อกลอกมีพระเครื่องคองคอมีตะกรุดเทียนเอวนี่แล้วมีรถถังมีบังเกอร์มีพวกยิงกันปะทะกันไม่เคยกลัวตาย แต่นี่มันกลัวตายที่สุดเคยบู๊ในซ่องกันเลตยตะกันมาอย่างไรห้าลุมหนึ่งก็ลุมนั่นกันมาแล้วเตะเข้าไม่ได้เลยเราเตะชับชับชเข้าไม่ได้เลยห้าคนเข้าไม่ได้เนี่ยทีวัตไตตันสะพานควายที่โกรห้าคนลุมเราเตะซ้ายเตะขวาเตะซ้ายขวาลงเท้ากระดุมเล็ดไปหมดมันเข้าไม่ได้อะเตะระหว่างห้าตัวหนึ่งอเพราะเราว่องไวมากแล้วเตะแดงเนเ น, นลมิดหลอดบ่อเชื่อเนลมิดหลอดหล่อลูกของจ่าสิบเอกวิเชียรรูปหลอ วิ่งขับมันไปเนี่ยมันวิ่งหนีเนี่ยอพอวิ่งวิ่งวิ่งไปมันหันกลับมาเราโดดตัวลอยลอยตัวเตะพลักปล <commencer> ปายเท้าซ้ายเอ๊ะเท้าซ้ายนี่เตะพลักก็ปล่ยคางตัวลอยหงายพึงตีเหยียดเตีเยนเหยียบหน้าเอาแป๊บตีหัวแปก๊กแปก๊กแปก๊แปกเสียใจว่าตีไม่แตกแท้ไหนเยอะพอหกเข็มแตสะสลบตีตีไม่ร้องเลยสักคํานึเพราะแตสะสลบแด้กะทีเดียวพลักสลบเลยเราโดดตัวลอยเลยลอยเพึ่งก็เตะตึ้ง เพราะสมัยก่อนนี้ไม่ได้เรื่องเตะนี่ว่องไวมากเข้าไม่ติดเนี่ยแต่ที่ผ่านการบูการล้างผ่านการไปรบไปเวียดนามไม่เคยกลัวตายแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมันกลัวตายที่สุดที่ยี่ยมจะแยกกันออกเพราะฉะนั้นอาการมันเป็นยังไงอาการของจิตมันเป็นยังไงอาการของกายเป็นยังไงพระเดชพระคุณครับที่เป็นอาจารย์สอนยุทธศาสตรถานโด่งดังลูกศิลุกหามากเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยเล่าให้ฟัง มีมาเลาลกศิลูกหาฟังตงไหมว่าเคยได้ผ่านการตายได้เอาพุทโธธรมโมสังโฆยุบหน่อสังโฆสัมมาหลหังเนี่ยมาก้าเล่าให้ลกศิษุหาฟังมัว่ากัะทุดงไปอย่างนั้นไปเจอเสือเจอช้างไปเจอผูผ้ปีศาจงูงเงี้ยขเขี้ยวคออะไรต่างกล้าไหมอยู่ในห้องแอร์อยู่ในปูพรมปูรอรต่างอย่างนี้ไม่เคยอรันเยวารุขมเรวสุญญาการเเพราะฉะนั้นในทักกสเนี่ยท่านกล่าวไว้ในทักทักกร อรันเยวารุกขมูเลวาเสนาสนะไอุ้กขเมเลวาเสอรัญเยวาลุกขมูเลวารเข้าไปเที่ยวไปถ้าหาว่าเขือนพอพองพอหยองก้ากลัวตายถ้าเกิดความจะรุ่งหวายกลัวขนพองสยองก้าวกลัวตายให้ทึกถึงเราวสถานคดว่าอิติปิโสพระกวาราหังตัมมาสัมพุทโธนี่พุทโธแล้วถ้าหากว่าไม่ถึงพุทโธไม่ถึงเราวถาคตให้ทึกถึงว่าทาว่า สว่าขาโตพระกวตาธรรมโมสันทิตโกอาการิโกสวาขาโตพะตาธรรมโอนี่ธรรมโมแล้วนี่ถ้าหากว่าไม่ได้สินพระธรรมให้ทิพย์เป็งพระสงฆ์ว่าสุปัญโสาวกสังโคนี่สังโคแล้วเพราะฉะนั้นพุทโทรธธรรมโมสังโคนี่มาในทักษทักทกะสูตรมีทักทกะสูตรเป็นเครื่องอ้างเพราะฉะนั้นสัมมาอรหังก็ตามยุบหนอ่องหนอก็ตาม คือพุโทโธหมดถ้าหากว่าเรานั่งสงบงกงกง ก, งกเนี่ยสัมมารหังมันก็ไม่มียุบหนอพผ่องหนอมันก็ไม่มีพุโทโธธรรมโมสังโคมันก็ไม่มีเพราะฉะนั้นในกรณีนี้พุโทโธธรรมโมสังโคเพราะฉะนั้นเมื่อกลัวตายถึงที่สุดเนี่ยมันเป็นยังไงอาการของากายมันเป็นงไงอาการเขจิตมันเป็นงไงมันวุตัวลอยบาไม่มีน้ำหนัก กายและหูตาจิตและตากายเบาจิตเบากายมันก็เบาจิตมันก็เบานี่กายเบาจิตเบาลอยเข้าไปหาช้างลอยเข้าไปหาช้างช้างมันก็รีวเข้ามาเราก็เอื้อมมือเอื้อมมือจะจับหัวช้างนี่ช้างมันองอ๊อฟนี่มันก็วิ่งหนีเลย อ้าวเขวิ่งเข้าไปหายตัวหนึ่งก็ไปเอื้อมมือจะจับหัวมันมันก็อ้านี่มันก็วิ่งหนีอีกอ้าวเดินเข้าไปอีกตัวอีกก็เอื้อมมือ จ, จับหัวมันอ้าฟมันก็ร้องอีกเพราะฉะนั้นช้างทั้งสามตัวมันวิ่งหนีหมดโอ้โหภายในหัวใจในี่ภายในสวงอกนี่มันเบิกบานมันเหมือนกับลูกโป่งที่พร้อมจะแตกระเบิดนี่มันเหมือนลูกป่งที่พร้อมจะระเบิด พัมันเบาวเยือกไปหมดนี่ก็เล่าให้ฟังอย่างนี้บรรดาเราท่านทั้งหลายไม่ได้มาหวังกันเทศและตั้งใจด้วยนะว่าเทศครั้งนี้เป็นเทศครั้งสุดท้ายด้วยของวัดสังฆานไม่เอาเพราะฉะนั้นมันจะแค่นั้นแหละแต่ต้องการจะเล่าของจริงให้หวังว่าพุทโธธรมโมสังโกะเป็นอย่างนี้ตั้งใจไว้แล้วว่าเทศครั้งที่สมนั้นพอแล้วนี่เพราะแค่นั้นแหละ เมผ่านมามากแล้วเรื่องการเทศอะไรพามาก้าววันก้าคืนหรืออะไรต่างสารพัดมันก็แค่นั้นเองไม่มีใครบวชจริงเอาจริงนี่แต่ว่าที่นี่เขาบวชจริงเอาจริงก็นั่นไปแต่สําหรับข้าพเจ้าแล้วไม่เอาเนี่ยว่างนั้นแนหะพูดกันครั้งครั้แค่นี้แหละว่าที่มนต์ประเทศใหม่ไม่เอาอีกแล้วพอสามครั้งพอก็สุดยอดในความยุ่ขนาดนี้แล้วแล้วจากนั้นพ่อแม่ล่ะแม่ก็เหมือนกันลูกก้าวคนจะช่วยไม่ได้ผัวก็ช่วยไม่ได้ เบาหวานความดันตายไม่ทำงาน้งบัตเป็นล้านก็ช่วยไม่ได้เห็นไหมแม่รักเขาตามเขาไปไปเป็นเมียเขาแล้วมันมีลูกตั้งก้าคนช่วยได้ไหมลูก9้าคนช่วยแม่ได้ไหมผัวช่วยได้ไหมเนื้อตัวเน่าเละตายไม่ทำงานเบาหวานความดันรักษาเป็นล้านบาทอยู่ห้องพิเศษโรงพยาบาลเปาโลนี่7เดือนกว่าเป็นล้านบาทเวลาหมอจับพิกเนื้อลูก นี่ผัวก็มายืนเฝ้าลูกเก้าคนก็มาเฝ้าแม่เป็นยังไงบ้างนั่นเป็นไรบ้างช่วยได้ไหมเพราะฉะนั้นแม่เอ้ยนึกว่าหลงไปก็หลงว่ามีผัวหลงว่ามีลูกแล้วลูกก็ช่วยไม่ได้ผัวช่วยไม่ได้เพราะฉะนั้นพุทธโทช่วยได้เพราะฉะนั้นฝากไว้วันนี้ขอบอกกองกงว่ามาเทศครั้งสุดท้ายนวัดสังฆทานนี้ไม่ให้แล้วเพราะมาเทศทีไหก็ไม่ได้ตังมาเทศทําไมเมื่อยก็เมื่อย วัวเี้ยงเบื่อเลี้ย ว, เ, ยยวเอเอหาหน้าได้ตังมั่ง เ, เดี๋ยวที่ขันนี่ไหลเท่าเองเลยเดี๋ยวมีการแพทเนี่ยก็เล่าให้ฟังนะนี่เล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นพุทธโทรธธรรมโมสังคโฆเนี่ยแม่ภาวนาอย่างจริงจังแม่ไม่เคยเกิดมาไม่เคยเห็นแม่นุ่งขาวห่มขาวแม่ไม่เคยบวชชีแม่ไม่เคยรักสิบห้าสิแปดแต่แม่มีภาวนาพุทธโธอย่างจริงๆจัง ๆ, ๆเพราะฉะนั้น ยมเจ็บไมเอ่ยยมห่วงอะไรไหมสั่งเสียอะไรไหมไม่สั่งเสียอะไรข้าไม่ห่วงอะไรหรอกขะโยมอยากกินอะไรไหมไม่อยากกินไม่อยากทานอะไรหรอกข้ายอมยมเจ็บยมปวดไม้เวลาหมอจับพลิกหนังหลุดเนื้อหลุดอย่างเงี้ยไม่เจ็บไม่ปวดหรอกข้ายอมย ม, ยมไม่เจ็บไม่ปวดแล้วอยู่ได้ยังไงอยู่ด้วยภพโท นิ่งไปหมดเลยแม่นี่อยู่ด้วยพุทธโธไม่สั่งเสียอะไรพุทโธมันสว่างโล่โลโกเหมือนชะมากางความมืดเนี่ยพุทโธพุทธะมันสว่างแสงนี่ออนนี่มันไม่เท่าแสงสว่างนี่อ่อนนี่มันแสวงแต่ดวงตามันสว่างต่ภายนอกแต่พุทโธนี่มันสว่างในดวงใจเข้าใจไหมมันสว่างโล่โลโกยูกมันก็ไม่มีผัวมันก็ไม่มีทรัพย์สมบัติข้าวของต่างๆมันไม่มีทั้งหมด ไม่มีกระทั่งตัวตนของเราไม่เจ็บไม่ปวดไม่หิวไม่อยากกินอะไรนี่คือพุทโธหาพระองค์ไหนจะมากล้าพูดอย่างอาจารย์มนหรือพระคูชาติการโยชนบ้างกล้าพูดก้าใครลุ้มแต่ลุ้มเทพว่า เ, เอายอมตายพูดให้จริงให้ควางให้ขวามของจริงให้ขวางอย่างนี้เพราะในายใครสงสัยอะไรบ้างงั้นเป่นพ่อก็เหมือนกันพอแม่ตายไปแล้วพ่อเขาจะมีเมียใหม่เพราะพ่ออายุ61แม่ตายอายุ58พ่อก็61ได้เราดี65แล้วสงสัยไม่ได้แล้วนะเออพ่อ61แกก็จะมีเมียใหม่ เพราะฉะนั้นอ้าวอยากฟังหรือเปล่าอ้าวอยากฟังใช่ไหมยเพิ่งอย่าเพิ่งเดี๋ยวค่อยเก็บอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอ้าวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนอ้าวเดี๋ยวขอล่าให้ฟังหน่อยจบเพื่อพอได้พอแล้หาวางยากนะแต่สวดมนต์ไสวดเมื่อไหร่ก็ได้แต่หาฟังไม่ได้นะขาน้าที่มนต์ไม่ก็ไม่มาแล้วนะจะบอกให้จะหาที่ไหนจะหาของจริงมาให้ที่ไหนอย่างนี้แต่สวดมนต์ไสวดเมื่อไหร่เท่าไหร่ก็ได้ เออนี่พ่อจะมีเมียใหม่พ่อจะมีเมียใหม่เพราะอายุเพิ่งหกสบ็ดแม่ตายอายุห้าสิบแปดแล้วแม่ตายนี่สมเด็จพระสังฆราชวาดวาสโนนี่สังฆราชองค์ที่แปดวาเชลมาพิสถิตมหาศีมารามนี่เป็นผู้กาหนดวันเผาแล้วสมเด็จพระสังฆราชมาเผาเองเลยนี่สมเด็จพระสังฆราชมาเผาให้เองเลยเพราะว่าสมเด็จพระสังฆราชเล่าให้วางว่าแม่เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ เพราะฉะนั้นพระองค์มาเผากำหนดให้เมื่อวันที่ห้าพฤษภาพศสองพันห้ารอยี่ิห้าหลังวันวิสาขาหนึ่งวันพระองค์เสด็จมาเป็นประธานเผาเพราะฉะนั้นแม่ไม่สั่งเสียอะไรไม่เจ็บไม่ปวดไม่หิวแต่แม่ไม่เคยบวชชีแม่ไม่เคยนุ่งขาวห่มขาวแต่ว่าภาวนาพุททธอย่างจรงิจรงจังเพราะฉะนั้น มันก็จัดอยู่ในบาลีที่พระองค์ทรงตัดว่าทุกขาปฏิปทาชิพ ป, ปาพิน ญ, ญาเพราะทุกเท่านั้นมันจึงเห็นไหวไงอ๋อผัวก็ช่วยไม่ได้ลูกก็ช่วยไม่ได้ตั้งเก้าคนน่ะอ๋อพุระเจ้าช่วยได้จริงจากการภ า, าวนาพุทโธพุทโธพุทโธเข้าไม่เจ็บไม่ปวดไม่สั่งเสียอะไรไม่ห่วงอะไรต่างๆไม่หิวไม่กระหายนี่พุทโธเพราะฉะนั้นพ่อจะมีเมียใหม่เราก็พยายามอ้อนวอนพ่อให้บวชแกก็ไม่ยอมบวช ก็พูดกันบอกก่าพ่อก็นั่งคุยนบนเตียงนอนแกก็จะนอนพ่อก็อยู่บ้านคนเดียวเราก็ไปที่บ้านก็นั่งคุยกันเออแกก็นั่งอยู่บนเตียงจะนอนก็ขึ้นไปนอนคุยเออไปนั่งคุยกับพ่อพ่อบวชซะพระเจ้าถืนว่าสุขโขบพชาบวชสุขนักแหลสาโทษ บ, บพชาบวช ด, ดีนักแหลเพราะฉะนั้นพ่อเมื่อก่อนฉันไม่รู้เมื่อก่อนฉันไม่รู้ฉันจะบวชเจดวัน แต่เรื่องนี้ฉันรู้ซะแล้วว่าอ๋อบวชเป็นพระมีความสุขจริงอย่างนี้บวชพระดีอย่างนี้เพราะฉะ น, ฉนั้นจึงเลือยบวชเป็นพระไม่เห็นพระพุทธเจ้าฉันบอกว่าเป็นนายกรัฐมนตรีสุขนักแรดีนักแรเป็นเจ้าฟ้าพยาหมากษตรถีหม า, ศาเศรษฐีดีนักแร่ทำไมวะเพราะท่านเป็นมาทุกอย่างท่านเห็นแล้วว่ามีดีทุกอย่างท่านถึงได้กออกการบวชพราะนั้นจึงสอนให้สาวกทั้งหลายออกบวชตามเพราะฉะนั้นพ่อเอ้ยมันเลยว่าขวังเนี่ย ฝั่งนี้มันแห้งแรงผักหญ้าอะไรต่างก็ปลูกไม่ขึ้นหากินไม่ได้ปูปลาก็ ม, มีแต่ว่าฉันเนี่ยโดดข้ามฝั่งไปเลยว่ายข้ามน้ําไปฝั่งนน้นโอ้โหฝั่งนน้นดินดําน้ําชุ่มปูปลาอยู่พงผงผักอะไรต่างนั่นถามจริงๆว่าฝั่งนน้มนมาอุดมสมบูรณ์เนี่ยพ่ออยากไปอยู่ฝั่งนน้นไหมแกก็นิ่งเพราะฉะนั้นฉันข้ามฝั่งไปแล้วฉันก็เห็นฝั่งนู้นแล้วอ่ะ ไปเห็นฝั่งโน้นมันชุ่มชื่นดินดําน้ําชุ่มพืชพันธยาหารพระปากรากไม้ต่างมันนั้นมาดิพ่ออยากไปอยู่ฝั่งนั้นไหมแกกันหนึ่งเพราะฉะนั้นพ่อเป็นคนสุพรรณพ่อเอ้ยนึกว่าหลับฝันไปฝันว่ามาเป็นทหารกรุงเทพจากสุพรรณก็มาเป็นทหารที่กรุงเทพเมื่อมาเป็นทหารแล้วก็มามีเมียเมื่อมีเมียแล้วก็มีลูกเก้าคน อา้าวลืมตาตื่นขึ้นมาเมียไปไหนล่ะอา้าวเมียเผาไปซะแล้วลูกเก้าคนไปไหนล่ะลูกเ้าคนก็อาบอก บ, บวชไปอนอกนั่นก็แยกครอบครัวต่างๆไปหมดเพราะฉะนั้นพ่อเอ้ยนึกว่าหลับฝันไปฝันว่ามามีเมียแล้วมีลูกเก้าคนเพรา ะ, ะนั้นตื่นขึ้นมาพลิมตาตืน่นมา่าอาเมียก็เผาไปแล้วลูกก็แยกครอบครัวไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นหลวงพ่อนึกว่าหลับฝันไปกลับไปบวชซะอย่าลองอยู่เลย สวรรค์เมืองคว้าเมืองกองกับคืนบรร น, นาบรรทุงมุ่งสู่สุพผ่าเสถิอดชมงามแถวนี้มีคนเห็นไหมเล่วหากพบคุณช่วยบอกข่าวว่าคนสุพันานนั้นเข้ามาตามนี่เพราะฉะนั้นร้องเพลงกลับเถิดเบียยจ่ายพ่อวัง อ้าวปรากฏว่าที่ไหนพ่อบวชจริงจริงบวชแล้วพ่อก็ฉันมือเดียวฉันในบาททั้งที่ทนายสอนบอกแกนั่นแกแกก็ฉันมือเดียวฉันในบาทแล้วจากนั้นพ่อก็ถือเนสัตธิกังคาทุดงเราเองนี่ไม่นอนแค่สามเดือนเราเองไม่นอนแค่สามเดือนแต่พ่อนี่หกเดือนไม่มีที่นอนมีแต่ที่นางขานี่บวมาดึงฉึงหมดเลยนี่เราให้ฟังเพราะฉะนั้น หน้าที่ของอาตมานีนจบแล้วคืออะไรหน้าที่ของพิชาตตะบุตรจบแล้วพ่อตายไปแล้วแม่ตายไปแล้วแล้วพ่อก็ได้บวชแม่ก็ได้พุทโธอย่างที่ว่านี่เพราะฉะนั้นหน้าที่ของอาตมาจบแล้วเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่พ่อใช่แม่ไม่ใช่ลูกคือเมียเพราะนี่ผู้ที่ฟังนี่พูดจากจริงใจจากหัวใจไม่ได้หวังกันเทศมันมีความจริงใจอย่างนี้แหละพิดประเ ด, ด็นแปลกเต้กล้ามเล็มเมด้ สารจำมันน้ำเปรี้ยวซิน้ำตาลมันหวานซิไอ้นี่ความจริงของมันอย่างนี้อ่ะใจพูดยังไงเสียงดูเบาวแววมาเหมือนเตือนให้สองเลาวผวาจากการขอนคืน <c oughs> นะโดนแจ้งแนละ้ว ชวนแจงแล้วน า, าเดือนตกจนลับตานกกาต่างกู่หาคู่พิลล้มนกกู่พี่กอดเจ้าไว้มิให้ระทมสองเราต่างเฝ้าเชยชมจนสิ้นแสงโคมแห่งจันทร์ ที่ต้องลาก่อนฟว้าสว่างน้นนวนแนบนางเฝ้าจูบสองปรางเพื่อฝากสัมพันแต่คืนนี้พี่ไปอย่าได้ไว้วันคืนไม่เราค่อยพบกันเพื่อสร้างวิมานชิมพี่ที่ขอย จบเอวังนิพพการิชนีนี่คือของจริงเพราะฉะนั้นเชื่อไม่เชื่อตามเล่าให้ฟังแล้วไม่เลยหวังการเทศด้วยแล้วก็ไปมาเทศอีกแล้วด้วยจบจบคุณจบใครสงสัยอะไรบ้างถามเอออ้าวกลับมาทำไมกันเราก็เดี๋ยวกลับมาก็ต้องมาเล่าเรื่องเก่าอีกอ่ะโอ้ยถ้าเล่าให้ฟังนี่พวกนี้ยันบืกไปหมดเรื่องของก็จมา จะเดี๋ยวพระสนญมันไสเอ า, เอามันไม่เชื่อเรื่องเลยร้อเล่นเนี่ยแม้เพลงที่ร้องเนี่ยก็เป็นไงไปนอนแฟนอ่ะเขา้าเข้าหาผู้หญิงอ่ะเข้าหาผู้หญิงพ่อแม่เข้าหลับลูกทุ่งอ่ะเพราะมันไม่มีรากาเนี่ยงั้นเสียงลูกบ่าแหววมาเหมือนเตือนในสองเราผวาจากกันไปเข้าหาลูกสาวเขาอ่ะงั้นพ่อเขาตื่นขึ้นมาก็ไปหัวขบาลแตกเลยอย่างนี้เพราะฉะนั้นอ่ะตัวแหนแจ้งแล้วหนาอย่างเงี้ยจบมัดจําเนี่ยมันเป็นเงที่กินใจทั้งนั้น มันเป็นเพงที่กินใจเพราะเรามันเคยผ่านมาแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเพราะนั้นยากนักยากหนาที่จะหพารพระองค์ไหนมากล้าพูดอย่างอาตมามีความจริงใจให้อย่างนี้นี่แม้กระทั่งเลือดในกายก็ทุกสมเดือนทุกสามเดือนบริจาคให้กินก็อดกินโ็อดอดหยาบหยาบกินน้อยนอนน้อยนอนมั่งไม่ได้นอ น, น, อ น, น, อนมนอนั่งคืนนี้ไม่นอนก็ได้คือวันนี้พวกนี้ไม่กินก็ได้ทําตัวเองมันจะได้นี่เอ้ามีอะไรใครถามอะไรบ้างมีไหมมีไหมมีไหมถามเลย ว่าไงอ๋ออ้าวพวกมาใหม่โอ้โหตามบ่องกงนี้เนี่ยเล่ายังไม่สนุกพรใจเ่าอีกควรเพราะเห็นคนน้อ ย, ยเกินเสาสลามมันมากกว่า <c oughs> แต่ไปมาโอ้โหมีเยอะยงี้ก็เต็มใจเล่าเลย <c oughs> คือนี่นะได้ควังหลวงปู่โชติคุณะสัมปนโนหรือเจ้าคุณเทพสุ ธ, ธาจารย์แห่งถ้ำ ไต้ลัดหรือวัดวิชราลงกรณปากช่องนครราชสีมาท่านเทศเมื่องานวางศิลาเลิกอาคารพิพธภัณฑ์หลวงปู่มั่นผุเลี้ยตที่วัดปา่าตุทาวาดอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเมื่อเดือนพฤศจิกายนพศ .2566 จำวันที่ไม่ได้ท่านเทศตั้งมากมายจำไม่ได้แต่จับใจความท่านบอกว่าจงรู้จักสร้างความสงบธรรมการความวุ่นวายจงรู้จักคล้องความสบายธรรมการความทุกข์นี่ หลวงปูช่ช่คราวนี้หลวงปู่ช่เนี่ยถ้าเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ดูลอตุโลหรือพระราสุทอาจารย์วัดบูรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์หลวงปู่ดูลันี่ยท่านจับมืออาตมาเนี่ยแล้วท่านก็พูดว่าอะไรจําไม่ได้มันจําไม่ได้ตั้งมากมายแต่จําได้เท่านั้นว่ารู้จิตนี่เรานั่งอยู่สถานี้รู้จิตไหม รู้จิตถึตงตัวเองไหมแต่ละคนแต่คนนี่รู้จิตตัวเองไหมแต่ตมาเนี่ยตมาพูดเนี่ยตมารู้จิตที่ ต, ตมาอยู่ไม่ละสติปาาออัจจัยไงเมื่อเราไม่ละสติปักจัยไม่ต้องนั่งหลับตาหรอกเราไม่ทิ้งอ่ะเราไม่ทิ้งน้าทีของเราอ่ะแต่นั่งหลับตาเนี่ปปยบางคนไปที่นู้นคไปที่นี่สงบงกง ก, งกมันไม่มีแล้วมันมีการปฏิบัติแล้วเพราะฉะนั้น เ, เป็นผู้ที่ตื่นอยู่ชาโคลนผู้ตื่นอยู่อาตาปีมีความเพียรเพ่งอยู่มันมีความรู้อยู่อ่ะนั่นแหละถูกทางแล้วขอให้เข้าใจอย่างนี้ เพราะฉะนั้นในขณะที่เํานั่งอยู่เนี่ยเรารู้จิตของเราไหมาใจเราคิดเรื่องอะไรเออใจเราคิดอะไรนี่เพราะฉะนั้นลูกปูดูลท่านพูดอะไรต่างๆมากมายจําไม่ได้จําได้อยู่แต่ว่ารู้จิตเห็นจิตแม้จิตก็สักแต่ว่าจิตไม่ใช่จิตนี่เพราะฉะนั้นพระนิพพานคือความว่างไม่มีอะไรเป็นสภาพความว่าง เพราะฉะนั้นพระนิพพานไม่มีเมืองไม่มีที่อยู่หลวงปู่ขาวท่าเพลางจะบอกว่าไม่มีที่อยู่ที่ไปที่มาแต่โบราณเราบอกว่าเมืองแก้วพรนิพพานเป็นเมืองแก้วเพราะฉะนั้นนิพพานไม่มีเมืองถ้ามีเมืองไม่ใช่นิพพานนิพพานคือความดับดับอะไรเล่าราคักขีนาโทสักขีนาโมหักิีนาราคะก็ของร้อนโมหะก็ของร้อนโทสักก็ของร้อนเพราะฉนั้นดับไฟสามดวงจะได้พวกเรา